ปฏิบัติเบนต้นให้ฟังเบื้องต้นการปฏิบัติกรรมฐานคือปฏิบัติศา ส, สนาต้องรีโรมเบื้ต้ น, เ, น, ตนเทศมังกลายเท่ไหมเทศอื่นไกลไม่รู้จักจับต้นต่อไม่ได้เหมือนกับเราปูกพักปูก ไม่ลงลูกแล้วปลูกเข้าดูน้ามาแล้วนนต่าง น, น, นเรียกพันธุ์มีแล้วมันก็นมีแล้วแต่เราไม่ปูกไม่ค่อยซื้อจิตตลาดมันไม่คิดง่ายเราตรู้จักวิธีปลูกกันอีกาศาสนาธ้าทำแลน้องก็ใช้มาได้สักที ต้องมาดูเรื่องของศาสนาดิต้นตอศาสนาที่แท้น่ะมันอยู่ที่ไหนกันมารู้เรื่องเขาว่ า, า บ, บุญก็บุญของเขาเขาว่าบาปก็บาของเขาเขาว่ากิงสมาธิปัญญาัาวมาตามเขาไปมันเลยเคยกินใช่ตัวบุญแท้คือตัวอะไร บาปแท้คือตัวอะไรสิ่งสมาธิปัญญาแท้คือตัวอะไรไม่เข้าใจเมื่อถามมาทิ้งตรงแล้วเลยจนมึอย่างนี้โดยสมาคนถือพุทธศาสนาจาินวนาแม่พันก็มีแล้วดินคือตัวของเราก็มีแล้ว ดินของเรานี้ที่ปลูกพืชผลงานที่สุดหาได้ไม่ได้หรอกขอทําได้ปูกงไปเถอะมันมัดเนี่ยเป่าสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งฝูงมัดมันมัความเปรียัว์เหอนกันแต่ว่าสูงสุดกว่าสัตว์ัหลายมดทั้งะั้ก็ได้ โดยูดิช่างตัวใหญ่ตัวโตข้นขึ้นน้อยหัวใดนันงพิเศษถึงขนาดจะทำสมาธิภาวนาก็ะใดจะทำมาผลให้พลาใ้มาเกิดดีขึนก็ะใดจะทำบุญทำกุศนแทนวัดในตัวมนุษย์ของเราจะทำบาปยิได้ง่ายง่ายที่สุดทำบา คนเราไม่รู้เรื่องไม่รู้คุณค่าของมนุษย์ของเราจริงเอากายอันนี้แหละตัวของเราในกระตูฝังเอาสิ่งที่ชั่วเลวสารกระตูฝังใส่ในหอองอาบน้ำคือในตัวของตนบาปก็ควรองวงมดเอามาใส่ใ น, ในตวัวฝังหลักหรับ บางคนและบางครั้งตัวของเราอะมองยึดดูในตัวเราไม่มีเลยชิงที่ดีชิ้นห้าสมัยมีชิ้นแปดสมัยมีเราจะทำที่ไหนมาจังเลยในตวัวในจิตใจขงตนคนเราเกิดมาในศรราสต์ดาพุทธแต่ว่ามันมีพุทธศาสนาในตวัว จริงว่าศาสนาพุทธพระองคเทศนาไว้แล้วธรรมะที่จะเอามาใส่ตัวของเรามีอยู่แล้วจยงเตียบมันก็พืชพันมเมล็ดต่างๆมีครบมดบริบูรณ์เล็กเล็กเล็กน้อยใหญ่โตเมืฐานสารพัทุกอย่างนี้มดชิ้นสมาธิปัญญาเป็นเมล็ดใหญ่ นี่ก็เล็กน้อยเยอะแยะที่จะมาใส่ที่มาปลูกในที่นี้ขอเลีให้ปลูกวงถึกตั้งมั่นในที่นี้แล้วคือศรัทธาส้นเชื่อมันตั้งเอาที่ใจที่กายของเราดีแลก็แล้ตั้งเอาที่อื่นศรัทธาส้นเชื่อมันอดกรรมมี ทำดีก็ดีทำช่วได้ช่วเท่านั้นน่ะเชื่อมันตรงนี้น่ะคนอื่นทั้งให้ไม่ได้ความดีแต่คนชั่วนั่นตอนนี้นี่ต้องเลยรับผลตรงตรงทำนะ่ะตรง ท, งที่เราทำนะ่ะทั้งดีได้ชั่วเราต้องรับเนี่เนาะคนอื่นรับแทนําไม่ได้จะถ่ายข้อไหนใช้ก็ไม่ได้ อาธนาคีอจิตใจของเราถ้าเห็นใจเราแล้วเนะย่อมได้เมดพันธ์นันดีแล้วนะ่ะมีอยู่แต่เราไม่เห็นเมตพันธ์นั้นดีอยู่แล้วนะ่ะมีอยู่ในตัวของเรานั้นใครๆจะประเสธอะไรทนะั้งนั้นใจมึงเลยไม่มีประเสธก็ได้ต้องรับร้องมีด้วยกันเนทะ่านั้น เห็นนี่เลยยังมันใจได้นนะที่จะเห็นใจของเามีใจแต่มันเห็นใจเหมือนกับวิญญาณนั่งต่างกน่ะมีแต่ไม่รู้อยากลูกคือไม่เห็นตัวที่จะจับเพราะแม่งตูก็มมไม่จับ ท, ท่นานจริงให้ตั้งลงใน ถ้าทาตนเชื้อมนันไดก่อนมันจะปูกตรงนี้แล้วน้ำที่สุดปูกในแคทไม่งามรอกมนนไม่ําเหมือนกับเหมือนกันุรอกพุทธศาสนาม่อตรมไม่สอนเลยในศาสตร์เฉพาะอื่นศาสตร์มุมที่เท่านั้นสอนศัสตร์มนุษย์ใเท่ า, น, า, นะ น, า น, น, นั้นนะตั้งนรงที่นี่อไหนรย์ไปองรสอนให้ตั้งถือดี เชื่อมมาหนั้นแล้วก็ใช้คำปฏิกับอันนี้คำปฏิกับหมายความว่าผูกจิตคือจิตมันไม่มีตนมีตัวจึงค่อยผูกด้วยคำปริกรบอ่านาปาสติลมหายใจเข้าออกหรือจะอพุทโธก็ใแน่แน่ในทีนั้นแ่ะให้อยู่ในที่เดียว ตรงนี้เหยมันตรงนี้มันยากมีใจได้ไม่จักจัดไม่เขาใจคิดม่เป็นแ้วันตัดสงสัยก็แล้วก็ไม่ตัดตั้งแต่เกิดมาจนตายไปยังไม่เห็นใจตัวตนวันหนึ่งนหนึ่งมันไปร้อยแปดท่านประการจับใจไหนสักที ทั้งขบี้กรรมในใจอน่ะมันมาฟ้ารุติกำหนดลมให้ใจเขาออกก็เอาไว้ที่ปลายจมูกเลยให้ไปเครื่องยึดอยากขึ้นไปทิ้งึือก่อนให้ยึดไว้ก่อนไม่ยึดไม่ถือปล่อยทิ้งวัดเลยไม่ได้อะไรยึดอันนี้น่ะ ลมที่ลมที่ปลายจมูกน่ะมันก็คข้ที่ปลายจมูกมาหายใจเข้าหายใจออกอ่ตรงนั้นอนะ่ะถ้าหากจิตกระทบไปถ้าหากวลมมัวกร ะ, กระบจิตอยู่กับด้านหนึ่งจิตเป็นของมีตน ม, ตมีตัวจะปรากรอยู่ด้วยลมหายใจเทนั้นนันอื่นก็มีเรา แต่ว่าไม่เอามีมาทั้งสี่ทุกอย่างที่ท่านพัฒ น, นาวไว้แต่ว่าไม่เอาเอ า, ออาล้มี่มนนนนมเท่ า, ออานั้นแหละมันจึงแหนนอนคือว่าพิจารณาลมหายใจเขาออกนี่ลหายใจเข้ามาหะออกก็ตายหายใออกหายใจเข้าก็ตายมันกลัวตายมันจึงอยู่ ถ้ากลัวใจใจจะตั้งมันจับที่ลมหายใจเขาออกกันเนี่เบืองต้นก า, ารสนะุขคตภาวนาจับจิตตรงนี้เนี่ยให้เหิงจิตตรงนั้นอ่ะใครพูดยังไงก็ไม่เอามากมายเยอะหลายที่ท่านพูดไป สบายใจ e นผู้ร้ายเรื่องหลายอย่างแต่ว่าเอาจริงๆยันต้งเอาอันเดียวเห็นนั่งเราจะจับจิตต้องจับตรงนั้นแหะจิตเนี่ยอยู่ในที่เดียวรากานี้เนี่ยแนยในที่กรแลวเห็นในที่เดียวแหละนั่นแหะเป็นสมาที่ภาวนาเรียกว่าสมาธิภาวนาคือเห็นจิตตั้ง เห็นจิดเ้วยกภานาเป็นถาราเห็นจิตแ ก, ก, ก่อนย่างภาวนาเด็่อศีนิานนี่แหะก็ออกมาจากจิตนั้นแล้วมันออกไปจากจิ่อตัวจิตตัวนั้นนะ่ออนนนนะหมดเวยจากขาสดาาววาสัจลักษณะพุทธิพิดารณ์อ้าวพระองค์สวาดึงกุลามีอะไรก็คิดนั่นแหละหมดเป็นถึงมีตัวเดียว ทุกเ็นจนานว่าเดืนอนเดียวจะต้องไปไล่ท่น อ, อกไมต้องม า, น า, นาหน้าอากาดหน้ากามันมากไปหาตัวแปดตัวเอ้ยรัยกษายากมากคุณชิดตัวตั้งหนอยยีเจ็ดตัวรักษายา การรักษาจะพระตัวเดียวเท่านั้นนะพระเจินาโมเดนกำมัดเรื่องกันเจินาเรตัวจิตมีเห็นจิตแล้วหมดจิตตัวนั้นก็เห็นหมดเรื่องกันเป น, น, น, นิตเทนั้นเองธมาเที่ยานี่เมื่อจิตตั้งมาไหในอนาคตาติย์อยู่วันเดียวแล้ว มันเป็นสมาธิเท่านี้นเอิที่ไปเจาน้าเห็นในสติที่ไปยังไงรอบข้าวรอบโลกเรื่องจิตนั้นทิมคิดส่งกายไปประสงค์อะไรที่มันถูกพันในสิ่งต่างมันมีประสงค์อะไรต้องการอะรให้รู้เรื่องของจิตที่มันไปส่งกายไในติดข้ ง, งข้อในสิ่ต่างนะ ตังรู้ตังเห็นเรื่อนเข้ามันมนี่ก็หยุดเข้ามาเป็นสมาธิของเก่ามาเนี่ยขับปัญญาชิ้นแทมาที่ปัญญาเนี่ยอยู่อยทางเดียวเนาะไม่ไปที่อื่นพูดรวมง่ายนแหละมันนี่เข้าใจง่าย มาช่วยปลายกล้ษษองควงใจว่าหมายออกไปจากนี้ทั้งนั้นคอยทั้งรวมใจลงให้อยู่เอาอนาฟาด้ที่เป็นเครื่องถูกเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดจิตนั่งแน่แน่แนเดีย ว, ย ว, ยวก็หมดเรื่องกันไปส่วนอันอื่นที่ควดไป่กล้องควถูกมั้ย ขั้นคงันถึงตรงนี้ถูกหมดหมดเลยคนเราอยากได้อยากชิมผลแต่ต้นมันต้นเด๋อได้ปูกยางถ้าปลูกตามปีแต่หาเคื่อนย้าว มันนปลูกสลัดเครื่องยางหายเร็จจับแล้วแต่ยังไม่ปลูกมันมายากเกี่ยวถ้าเราปลูลงไปเรเห็นขึ้นมาเป็นเบีย้ยเป็นใบเสิมมาค่อยๆเจอเมื่อไงมาลดเพราน้ำอนดินนี้ตลอดเวลานมันค่อยเติบโตขึ้นมามันยังมีหว่างบดหน่อยันนี้เนย อันนี้ยังเลยไม่เคยได้ไม่เคยเห็นเลยมีอะไรอะไรต่างๆม่ปรากฏเลยเม็ดก็ไม่ปรากฏสะหนิอยากจะได้อยากจะได้ยำแลอยากกินแล้วผู้ที่ปฏิบัติข้างหลายก็ฉันไป ต้องการมาั่งต้องการผลต้องการมิพาต้องการชาติสมาธิสมาบัติตัวต้นตอนยิงจางไม่ทำไม่จะได้อย่างไรคุณทำต้นอย่นี้มันปลูกขึ้นมาแล้วเอาเหมือนกับท่ว่าใช่ไนมแหละให้ไอ้ว่าฟังอันนี้มันเกิดจากต้นคืออันเดียวคือเอจตนาเดียวก็จากจิดอันเดียว จัดจิตอไของนายมดทุกสิ่งทุกอย่างยังงได้บงเมื่ออธิบายทั้งเรื่องจาสนาเนี่ยเดียวแต่พูดไปมากอันี้ยงพูดได้ยพูดได้มาคือจับต้นเหมนไได้มดพูดทั้งเรื่อง ออกไปจากนี้ทั้งหมดฌานสมาธิธรรมบัติมรรคผลนิพพานออกไปนี้ทั้งนั้นอธิบายทั้งเรื่องศาสนามีเกิดจากใน เ, เรื่องปฏิบัติศาสานาก็าต้องปฏิบัติไปบนตน้นดังอธิบายในยบนตน้นความยุติเรื่องากานี้แหะ แม่ที่บายแม่เอาท่านนั่งตาถนาคือตัวหัวใจหัวใจเนีอยท่งนัะ่ะจิตกับใจมันอยู่ด้วยกันนัะ่ะสติก็อยูอันเดียวกันจิตเจสติก็อยูอันเดียวกันคือว่า ร ส, สติก็ออกไปจากใจถ้าติคือผู้รักษาจิตผู้ควบคุมจิตก็ออกไปจากใจจิตพวกคิดพูนึกผู้สงสัยจดจำอะรนี่ก็ออกไปจากใจอันนั้นหนามันมากมันใ้ได้ปัญญาควบขวนเพราะออกไปจากาามันข้อจิตนั่นแหละมนี่เห็นยินยังอะไรต่างหลายเรื่องหลายอย่า ง, างากับจิตนั่นแหล ะ, ละออก็จิตลุ่มมากแลนะ มันมีสติควบคุมมันตระโลกโตๆไม่ใหญ่โตมหาที่อันนี้สติควบคุมอยู่รู้จั ก, กว่าผิดรู้จั ก, กว่าถูกรู้จักดีช่วยบา ป, ปุ่นอะไรต่างสตควบคุมอยู่มันก็อยู่ในขอบเขตชั่วก็ไม่ทําดีจงรักษาไว้บาปก็ไม่ทํา บุญก็ตั้งใจอยู่ให้อยู่ในพุทธกุธลนั่น่ะตีควบคุณนั่นะได้ได้เชื่อเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากนั้นไม่ใช่เกิดอีกไกลสติคิดใจเจตสิกนัยอยางที่พู ด, าาดไปเกิดจากใจอเดียวคันนี้ใจราคาเนี่ ใจคือผู้อยู่ใจคือผู้เป็นกลางใจผู้คือผู้สบงบมือวุ่นวายใจไม่สงสยัยสงบนิ่งแต่รู้สึกว่าใจแต่รู้สึกมี่ก็รู้สึกอยู่แม้ในตัวใจโดยนี้เราพยายามเข้าหาตัวใจนะสิ มันไม่เขา้าเข้าไปถึงแท้ทีจงเพียงหามันเข้าถึงตัวใจที่จะเข้าถึงตัวตัวใจได้ต้องสติตัวนี้แหละควบคุมจิตควบคิดคุณรู้สึกสงสัยทั้งยารงมทั้งสมดควบคุมมันได้เมื่อจิตเราควบคุมได้แล้วมันจะรวมท้อเปนใจ ความเนอยความปวดตึงปวดเหน e are, ga, mind, ื่อยต่างๆความหิวหงายต่างๆทุกทุกอย่างกินไม่หายหมดมันไม่ได้คนชเฉยรู้สึกเฉยๆมันจะมีอะไรม่เข้าถึงใจถ้าควบคุมใจจิตเป็นได้แล้วตอนนี้ส่งไปนอกตอนนี้เรื่องต่างๆมาเรื่องคมไม่อยู่มันก็กดไป ไปจนเกิดขอบเขตไม่เอาไปไหนแต่ไหนคนเราเกิดคือมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายเราอยู่ในอำนาจของใจทั้งนั้นเจาหน้าอยู่ในขุมจิตทั้งนั้นจิตไม่อยู่ในอำนาจของเราอำนาจของเราต้องสติจึงจะมาทําพาให้ทำทั่ว เนื้อ ส, ส, สัมต่างสัตว์ป่าทุกอย่างคนช่วมของมันหัดไม่ต้องหัดคนี้ก็เป็นเองคนช่วเนี่วที่สุดจะิตตัวนี้ควบคุมจิตอยู่ใดเคยเวลาไปเคยเวลาใดไปเวลานั้นทำชั่วงเวลานั้นเป็นนักศึกษาจิตตรงนั้นแหะควบคุมจิตตรงนั้นแ่ะใหามายู่งดงเน่ เป็นสมาธิภาวนาเข้าถึงใจจะงบนิ่งแนวเฉยอยู่มัดตรงนี้แหละรับพุทธศาสนามัน้หัดอื่นไกลหัดตรงนี้แหละพุทธศาสนาต้องที่บัดตรงนี้แหละจะถึงสิงสมาธิตรงนี้ถึงตรงนี้แหละ อ๋อทาง